อา n a สยามยุดว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกผล น, นิกาไไปกระทําการศึกสงครามกันกันลดลาวกรุงข่าวชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันจขมิ้นวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทามหายุทธนาการในรัชกาลที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่ปดสปีจออาสตุก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อาณอมสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่เจ็ดจดหมายบอกจากแม่ทัพเมืองยวนครั้งนั้นโปรดให้พระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจในพระราชวังหลวง ซึ่งเชิญสิ่งของเครื่องเสวยมาแต่เมืองจีนขึ้นไปพระราชทานนั้นโปรดให้กลับลงมากับตำรวจในวังหน้าที่เชิญไปบอกมานั้นพร้อมกันครั้งหนึ่งกรมพระราชวังบวรได้ทรงทราบว่าอ้าพระยาเชียงสาแม่ทัพลาวนั้นยังตั้งค่ายแข็งแรงอยู่ที่ตำบล บ, บ้านโพนเชียงทองยังหามาสวามิภักดิ์ไม่ จึงมีพระราชบรรทูลดำรับสั่งให้พระยาไกรโกษาเป็นแม่ทัพคุมพลทหารสำหรับทัพที่ยกมาแต่เมืองหล่มสักนั้นให้ยกไปตีอ้ยพระยาเชียงสาไอ้พระยาเชียงสาสู้รบกับพระยาไกรโกษาพระยาไกรโกษาแตกหนีมาเสียพลมากเสียนายทัพนายกองไทยก็มากกรมพระราชวังบวรสงขัดเคลืองพระยาไกรโกษามาก จึงโปรดให้ขุนนางผู้ใหญ่หนายทัพนายกองปรึกษาโทษพระยาโกษาพระยาพระหลวงที่นายทัพนายกองพร้อมกันปรึกษาด้วยกล้าด้วยกระหม่อมตามพระราชกิจสตฎีกาอายการสืบเขียนว่าพระยาโกษามีความผิดมากนะักขอพระราชทานให้ประหารชีวิตเสียอย่าให้หนายทัพนายกองดูเยี่ยงอย่างต่อไป ขันได้ทรงทราบคำปรึกษาดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าพระยาไกรโกศานี้เป็นคนเก่ามีความชอบมาแต่ครั้งไปตีเจ้าราชวงศ์ที่เมืองลมศักดิ์ครั้งหนึ่งขอให้ยกโทษประหารชีวิตเสียเถิดให้แต่จำตรวนถอดออกจากที่พระยาไกรโกศาไม่ให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แม่ทัพให้จำตรวนไว้ในกองทัพหลวงแล้วโปรดให้พระยาเพชรพิชัย กับพระยากะเกษตรรักษาพระยาบริลักษ์กราชาพระยาอัสดาเรืองเดชเป็นแม่ทัพนายกองขุมพลทหารพันหนึ่งยกไปตีอ้พระยาเชียงสาให้แตกให้จงได้พระยาทั้งสี่ยกทัพไปพบข่ายอ้ยพระยาเชียงสาตั้งอยู่ที่บ้านโพนเชียงทองกองทัพพระยากะเกษตรรักษาเป็นกองหน้าก็ตีกองทัพหน้าของไอ้พระยาเชียงสาแตกกระจัดกระจายไปนายแผงไพริม นายเวนตำรวจวางหน้าเป็นนายมา้าถือปืนสั้นหลังมา้ายิงไปถูกไอ้เทา้าวสวมนายทัพหน้าของไอ้พระยาเชียงสานั้นถูกปืนตายในที่รบแม่ทัพไทยให้ตัดศรีรษะไอ้เท้าสมมาเสียบหอกออกเดินนําหน้าทัพตีเข้าไปอีกอ้าลาวนายทัพและไพร่พลเห็นศรีรษะเท้าสวมดังนั้นก็ตกใจกลัวพากันแตกตื่นย่นถอยหลังไปหมดพระยากะเกษตร ก็ขับพลทหารไล่ตีพักเดียวทัพไอ้พระยาเชียงสาก็แตกถอยไปทางเมืองพงข้างเหนือฝ่ายกองทัพไทยพระยาเพชรพิชัยและพระยาอัศดาเรืองเดียพระยาบริรักษ์ราชาก็ตามตีไอ้พระยาเชียงสาเข้าไปถึงชายป่าเมืองพงครั้งนั้นไอ้กองคําขุมพลทหารมาตั้งอยู่ที่เมืองพงจึงยกทัพมาช่วยแก้ไอ้พระยาเชียงสา ไอกองคำยกผลฐานมาสกัดหลังทัพพระยาเพชรพิชัยเข้าไปตามชายป่าพวกไทยไม่ทันรู้ตัวว่าลาวยกมาข้างหลังขันเห็นเข้ามาใกล้ก็ระสำระสายหันหน้าจะหนีจวนจะเสียทีเกือบจะแตกอยู่แล้วฝ่ายพระยาเพชรพิชัยเห็นดังนั้นจึงสั่งให้บุตรหลานญาติช่วยกันต้อนคนให้กลับหน้ามารบกับลาวจนถึงอาวุธสัน้นเป็นการตลุมบอลพอ้าอกองคำแม่ทับ ถูกปืนที่นายสว่างหลานพญาเพชรพิชัยยิงไปก็ถูกไอ้กองคำแม่ทัพลาวตายในที่รบสบก็ได้มาด้วยทัพไอ้ลาวทั้งสิ้นก็แตกเข้าป่าไปหมดทุกทัพทุกกองพอเป็นเวลาจจนค่ำทัพไทยจึงไม่ได้ไล่ติดตามไปกลัวว่าจะเสียทีไอ้ลาวสงสัยว่าไอ้ลาวทากลอุบายแตกหนีล่อใจไทยให้ตามตีไปในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นทัพไทย จึงไม่ได้ตามตีไปในป่าเมื่อเวลาค่ําทัพไทยตั้งมั่นอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าขึ้นทัพไทยได้ยกติดตามอ้ายพระยาเชียงสาไปแต่พอเวลาสองโมงทันได้พระยาเชียงสาที่ห้วยหลวงในป่ากองทัพไทยได้รบกันกับพวกลาวอีกครั้งหนึ่งถึงตรุนบอนก็เสียพระอินทรเดชน้องพระยาเพชรพิชัยถูกปืนลาวตายในที่รบกับพระยากําแพงเพชรและพระหาวทยัย ถูกปืนในที่รบแต่หาตายไม่ทัพไทยตีทัพไอ้พระยาเชียงสาแตกกระจัดกระจายหนีไปในป่าอีกครั้งหนึ่งแต่ทัพลารีบหนีไปโดยเร็วทัพไทยตามไปไม่ทันก็ตั้งทัพอยู่ที่ริมห้วยหนองหลวงเพื่อจะรวบรวมรีพลที่รัศม์รสายครั้งนั้นไอ้พระยาเชียงสาแตกหมีกองทัพไทยไปในป่าพระยาเชียงสาพาทหารที่ติดตามไปด้วยนั้น เดินเรียบป rim ฝั่งแม่น้ำโขงลงไปถึงเมืองยะโสธรพอพบกองทัพใหญ่พระยาราชาสุภาวดีตั้งสกัดขวางทางอยู่ไอ้พระยาเชียงสาไม่รู้ที่จะหนีไปทางไหนได้ครั้นจะต่อสู้รบก็มีทหารหน้อยตัวนักสู้ไม่ได้ไอ้พระยาเชียงสาก็ถิ้งเครื่องอ า, าวุธยอมยกให้ทหารพระราชาสุภาวดีเสียหมดแล้วก็เข้าหาพระยาราชาสุภาวดีโดยดีขอสวามิภักดิ์พอให้รอดชีวิต ฝ่ายพระยาเพชรพิชัยรวบรวมไพ่ผลได้หมดแล้วก็ให้พระยากะเกษตรรักษายกเป็นทัพหน้าติดตามพระยาเชียงสาต่อไปพระยากะเกษตรรักษานายทัพหน้ายกไปถึงฝั่งแม่น้ําโขงใกล้เมืองยโสธรจึงได้ทราบข่าวมาจากปองตะเวนด่านพระยาราชาสุภาวดีว่าพระยาเชียงสาเข้าหาพระยาราชาสุภาวดีโดยดีแล้วพระยากะเกษตรรักษาและพระยาเพชรพิชัย และพระยานายทัพนายกองทั้งหลายจึงยกทัพกลับยังค่ายหลวงที่พรานพลาวกราบทูลข้อราชการที่ได้ไปตีไอ้พระยาเชียงสานั้นทุกประการแล้วฝ่ายพระยาราชชัดสุภาวดีตั้งทัพอยู่ที่เมืองยะโสธรคิดจะยกทัพไปตีเมืองจำปาสักแต่พอเดินกองทัพมากลางทางได้ข่าวตามชาวบ้านว่าเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองจำปาสักนั้นยกทัพมาตั้งค่า ย, ยู่ที่เมืองศรีสเกต ขันพระราชาสุภาวรีแจ้งเหตุการณ์ดังนั้นแล้วจึงยกทัพแยกมาตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ใกล้เมืองอุดรราชธานีฝ่ายเจ้าราชบุตรได้ทราบข่าวได้สึกพระยาราชาสุภาวรียกทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่เมืองอุบลเจ้าราชบุตรจึงยกทัพมาตั้งค่ายรับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีจึงให้เจ้าปานเจ้าสุวรรณผู้น้องขุมกองทัพตั้งค่ายสังกัดหลังอยู่ที่เมืองยโสธร พระยาราชาสุภาวดียกทัพกลับไปตีค่ายเจ้าปานเจ้าสุวรรณตั้งค่ายอยู่ที่เมืองยะโสธรเวลาเดียวทัพเจ้าปานเจ้าสุวรรณก็แตกรกระจายหนีไปได้บ้างนายทัพนายกองไทยจับเป็นได้นายทัพนายกองลาวหลายสิบคนไร้พลได้มากที่ต่อสู้ตายเสียกมากแล้วพระยาราชาสุภาวดีก็ยกทัพขึ้นไปตีเมืองอุบลราชธ า, านีฝ่ายลาวในเมืองอุบลราชธ า, านี พร้อมใจกันเป็นขบถขุมกันหลายพวกได้ไล่ฆ่าฟันกองทัพเจ้าราชบุตรเป็นโลุมานขึ้นในเมืองอุบลราชธานีฝ่ายเจ้าราชบุตรเห็นชาวเมืองอุบลราชธานีกลับใจเป็นขบถขึ้นพร้อมกันทั้งเมืองดังนั้นจึงพากองทัพของตนหนีออกจากเมืองอุบลราชธานีลงไปเมืองนครจำปาสักซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมของตนเคยอยู่ฝ่ายครอบครัวเมืองต่างๆที่เจ้าราชบุตร กวาต้อนพาไปไว้ในเมืองจำปาสักนั้นก็กำเริบเป็นศัตรูขึ้นด้วยชวนกันนำไฟจุดเผาบ้านเรือนรัษดรในเมืองไฟไหม้ขึ้นเป็นหลายสิบหลังและไหม้ต่อต่อไปเป็นอันมากแล้วพวกครัวต่างๆก็พากันออกมานอกเมืองจำปาสักหมายจะต่อสู้กับเจ้ารัชบุตรก็มีบ้างที่หนีไปบ้างฝ่ายเจ้ารัชบุตรเห็นชาวเมืองคุมกันเป็นขบฏเกิดจะลาจนขึ้นดังนั้นจะเข้าเมืองก็ไม่ได้ จึงรวบรวมเบาไพร่คนใช้ที่สนิทได้ประมาณสามสิบสี่สิบคนแล้วพากันลงเรือข้ามฝากแม่น้ำโขงหมายใจว่าจะเดินบกหนีไปแดนเมืองยวนให้รอดชีวิตฝ่ายทัพพระยาราชาสุภาวดีเข้าตั้งอยู่ในเมืองนครจำปาสักได้แล้วจึงได้มีคำประกาศแก่พร่พ ล, ลเมืองลาวว่าถ้าใครไปตามจับตัวเจ้ารัชบุตรได้จะให้รางวัลคนละห้าช่าง พวกเราที่ได้ถูกความเดือดร้อนขมขี่ของเจ้าราชบุตรนั้นก็พาการข้ามฟากไปตามจับเจ้าราชบุตรเจ้าปานเจ้าสุวรรณและพักพวกมาส่งให้พระยาราชสุภาวดีพระยาราชสุภาวดีให้เงินเป็นรางวัลคนละห้าช่างเป็นเงินยี่สิบห้าช่างแล้วจำเจ้าราชบุตรหนึ่งเจ้าปานหนึ่งเจ้าสุวรรณหนึ่งไว้ทั้งสามคนแล้วพระยาราชสุภาวดีได้ทราบว่าทับหลวง เสด็จมาตั้งทัพอยู่ที่ตำ บ, บพลพรานเผาว้อนจะเสด็จกลับลงไปยังกรุงเทพในเร็วๆนี้พระยาราชาสุภาวดีให้พระจักราคุมกองทัพพันห้าร้อยอยู่รักษาค่ายที่เมืองจำปาสักจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยฝ่ายพระยาราชาสุภาวดีก็ยกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองนครพนมเพื่อจะจัดการบ้านเมืองบำรุงไพร่พลเมืองให้สมบูรณ์จะได้เป็นกําลังแก่ราชการสืบต่อไป ขณะนั้นแม่ทัพยวนชื่อองค์สัตคุมเตือนยิมซึ่งเป็นทัพหน้าขององค์กินเลือกแม่ทัพใหญ่ฝ่ายยวนทางบกนั้นองค์สัตคุมเตือนยิมถือหนังสือของแม่ทัพยวนมาฉบับหนึ่งบอกแกขุนประสิทธ์นายด่านทางบกฝ่ายไทยว่าเราถือหนังสือนี้จะไปให้พระยาราชาสุภาวรีแม่ทัพไทยขุนประสิทธ์นายด่านกับลาวชาวด่าน จึงพาองค์สันตะคมเซือนยิมถือหนังสือมาให้พระยาราชสุภาบรีที่ค่ายเมืองคอนครพนมได้สั่งให้ล่ามแปลหนังสือยวนออกใจความว่าหนังสือองค์เป็นใหญ่แม่ทัพฝ่ายยวนมายังแม่ทัพฝ่ายไทยว่าเมืองเวียงจัน์กับกรุงศรีอุธยาไทยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันสนิทสนมกันมาช้านานเปรียบเสมือนริมฝีปากกับฟัน ไม่มีเหตุอันใดที่ได้มัวหมองกันเลยเหตุไฉนไทยจึงยกกองทัพเข้ามาทำลายหรือบ้านเมืองเวียงจันท์เสียทำให้ไพ่บ้านพลเมืองได้รับความเดือดร้อนแตกหนีไปจากบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยเป็นสุขมาช้านานอันหนึ่งเมืองเวียงจันทร์ก็เป็นเขตแดนของกรุงเวียดนามด้วยบัดนี้แม่ทัพไทยได้เข้ามาในเขตแดนยวนแล้วหาควรกับเมืองไมตรีกันไม บัดนี้องค์กินเลือกแม่ทัพใหญ่ฝ่ายยวนให้ข้าพเจ้าชื่อองค์สัตตะคุมเตือนยิมแม่ทัพหน้าคุมกองทัพ บ, บกมาสองหมืเศษมาตั้งอยู่ที่เมืองตำกองใช้ให้ข้าพเจ้าถือหนังสือมาให้ท่านแจ้งความว่าให้ท่านยกกองทัพไทยกลับไปอยู่ในเขตแดนของไทยไถกว่าต้อนพาครอบครัวพลเมืองในเขตแดนของยวนไปไวมากน้อยเท่าไหร่ ขอให้ท่านส่งกลับคืนมายังเขตแดนยวนให้สิ้นเชิงทางไมตรีไทยกับยวนจะรอบคอบยืนยาวเสมอต้นเสมอปลายต่อไปถ้าท่านไม่ฟังคำของข้าพเจ้าแล้วฝ่ายข้าพเจ้าก็ไม่ละกันคงได้เห็นฝีมือกันเป็นแน่ถ้าองค์กินเลือกแม่ทัพใหญ่ยกลงมาถึงเมื่อใดแล้วก็จะไม่ฟังกันเป็นแน่แต่ญอาต้นหนึ่งก็จะไม่ให้เหลือไวในแผ่นดิน บอกมาทั้งนี้เป็นความเมตตาแก่แม่ทัพด้วยกันให้ทําตามที่บอกมานี้จึงจะชอบด้วยราชการหมายเหตุถ้ายหนังสือหนังสือยวนฉบับนี้กล่าวไว้หมดจดไม่ได้ตัดรอนเพราะจะให้ท่านผู้อ่านฟังสำนวนยวนฝ่ายพระยาราชาสุภาวดีได้ทราบความตามในหนังสือยวนดังนั้นแล้วหาได้มีหนังสือตอบโต้ประการใดไม่ เพราะจะรีบเดินไปเฝ้ากรมพระราชวังบวรที่ค่ายหลวงพรานเลาด้วยยวนจะเสด็จกลับกรุงเทพอยู่แล้วเป็นแต่สั่งให้ขุนประสิทธิ์นายด่านพาตัวพวกยวนที่ถือหนังสือมานั้นกลับไปส่งให้ผลเขตแดนของไทยบอกยวนให้ไปในเขตแดนของยวนไทยไม่รับรองและไม่ให้ยวนอยู่ด้วยพระยาราชาสุภวดีสั่งให้พระยาราชรองเมืองขุมพลทหารท่าร้อย อยู่รักษาค่ายที่เมืองคนครพนมและค่ายเมืองยะโสธรด้วยให้พระยาอินทรสงครามรามันจางวางกองนอกคุมพลทหารรามันสามร้อยเป็นกองลาดตเวีนบุกรักษาด่านทางเมืองยะโสธรและเมืองคนครพนมให้พระยาวิเศษสงครามรามพักดีจางวางทหารฝรั่งแม่นปืนใหญ่คุมพลทหารสองร้อยยกล่วงหน้าไปทําทางตั้งทําเนียบรับที่พรานพลาวแล้วส่งพระยาพระหลวง นายทัพนายกองให้ตเตรียมจัดพลทหารไว้ให้พร้อมรุ่งขึ้นจะยกไปเฝ้ากรมราชวังบวรที่พรานสาวขันลุ่งขึ้นเวลาเช้าสามงพระราชาสุภาวดีขึ้นช้างพังเกสรผูกกูบกระจมสองหน้าหลังคาคาดผ้าดาวกระจายมีทหารสี่เท้าช้างอย่างแม่ทัพใหญ่พร้อมด้วยช้างนำตามเป็นอันมากดำเนินทัพโดยทางสมรมาศหยุดรอนแรมไปหลายวัน ก็บรรลุถึงท่าสมริมฝั่งแม่น้ําโขงใกล้บ้านพรานฝาวพระยาราชสุภาวดีหยุดพักในค่ายรั้วทึบที่ท่าสมซึ่งพระยาวิเศษสงครามทําไว้รับนั้นแล้วพระยาวิเศษสงครามมาแจ้งความแก่พระยาราชสุภาวดีว่าได้สร้างทำเนียบก้าวหลังตีรั้วทึบท่าสมห่างค่ายหลวงหกสิบเซนขันจะตั้งใกล้ก็กลัวว่าพลที่มีมาก จะไปละเหล่าละลุ่มในค่ายหลวงหาบางควรไมมพระยาราชสุภาวดีพักอยู่ที่ทำเนียบคืนหนึ่งครั้นรุ่งเช้าจึงขึ้นแคร่คานหามมีทหารสะพายดาบเดินนําหน้าสองร้อยทหารถือปืนเดินตามทางป่าไปทางหกสิบเส้นเศษถึงค่ายหลวงสั่งให้ทหารหน้าหลังหยุดพักห่างค่ายหลวงทั้งสิน้นพระยาราชสุภาวดีลงจากแคร่ เดินเข้าไปเฝ้าหน้าพระพราชัยในค่ายหลวงกราบทูลข้อราชการศึกเสร็จสิ้นทุกประการแล้วนําต้นหนังสือของยวนและคําแปลจากหนังสือยวนที่มาให้ในระหว่างศึกนั้นขึ้นทูลกล้าบทูลกระหม่อมถวายให้ทรงทราบใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วพระพยาเชียงสาลา่าซึ่งแตกหนีทัพพระยาเพชรพิชัยเข้ามาสวามิพักนั้นเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ที่หน้าพระพรารชัยในค่ายหลวงพระยาราชาสุภาวดีกราบบังคมทูลว่าเจ้าราชบุตรสู้รบกับกองทัพข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจากราชบุตรขังกรงลงมาทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายด้วยกรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญฑุนดำรัสสั่งให้พระพรหมสุรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจกับหลวงนายเสนรักษานายเวณมหาเล็ก ได้ให้คุมพัฐานกรุงเทพร้อยหกสิบคนคุมตัวเจ้าราัชบุตรหนึ่งเจ้าปานหนึ่งเจ้าสุวรรณหนึ่งกับเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระยาเจ้ารัชบุตรคนหนึ่งชื่อเจ้าบรนทรและครัวเหลา่าที่เจ้ารัชบุตรที่จับได้นี้สี่สิบหกคนนั้นให้คุมลงไปส่งยังกรุงเทพแต่พระยาเชียงสานั้นโปรดให้อยู่รับราชการในกองทัพพระยาราชสุภาวดีช่วยคิดราชการทางหัวเมืองเหลา่า ถ้าเสร็จราชการจะชุบเลี้ยงให้ถึงขนาดแก่ความชอบแล้วมีรับสั่งให้พระยาราชสุภาวดีอยู่จัดการบ้านเมืองลาวและเมืองขเมีนป่าดงให้เรียบร้อยและกว่าต้อนครอบครัวส่งลงไปกรุงเทพสิ้นราชการเมื่อใดก็ให้กลับลงมาแจ้งข้อราชการศึกของครามอย่างกรุงเทพครั้งนั้นมีพระราชดำรัสตรัสสรรเสริญสติปัญญาความคิดเสีมือพระยาราชสุภาวดีว่า มิเสียทีที่เกิดมาในวงตระกูลเสนาบดีเป็นชายนายฐานทำราชการสงครามครั้งนี้มีชื่อเสียงดีโด่งดังปรากฏไปในนาน า, นาประเทศทั่วที่สานุทิศความดีความเจริญของท่านจะปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของพวกนักปราศราชบัณฑิตอยู่ชั่วกระปราสารไม่เสื่อมคลายแล้วตรัสเล่าการศึกสงครามให้พระยาราชาสุภวณีฟัง ตั้งแต่ที่ค่ายทุ่งลำพีและทุ่งหนองบัวลำพูทุ่งส้มปล่อยและที่เขาสารช่องแคบทั้งสี่ตำบลสรงเล่าจนเจ้าอุปราชเวียงจันทร์เข้ามาสวามิภักดิ์เสร็จสิ้นทุกประการขณะนั้นมีพระราชนำรัตปรึกษาราชการเมืองเวียงจันทร์แก่พระราชสุภาวดีว่าอันแผ่นดินมาลาประเทศขอบเขตลาเวียงจันท์นั้นถ้าผู้ใดได้เป็นอธิบดีใหญ่ในเมืองเวียงจันแล้ว กิจก็มักจะเป็นพาลสันดานทุจริตคิดประทุษร้ายเป็นขบฏต่อกรุงเทพมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าตากกรุงธนบุรีครั้งหนึ่งและในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงสองครั้งและในแผ่นดินพระบรมโกศนั้นเว้นว่างการศึกกับเวียงจันทร์เพราะเหตุว่าเมืองหลวงพระบางมีอริราวฉานกับเวียงจันทรเมืองเวียงจันทรไม่อาจจะทําการจาเริ่เป็นขบฏได้เพราะเวลานั้น เจ้าเวียงจันทร์ยังไม่มีอำนาจใหญ่โตเหมือนอนุเดียวนี้ครั้งการเป็นลำดับมาถึงแผ่นดินล้นเกล้าหล้นกระมมในปัจจุบันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกมมให้เจ้าอนุเป็นอธิบดีครอบบ้านครองเมืองเวียงจันทร์ส่งมอบพระราชดําริพระราชประสงค์ให้เจ้าอนุบังคับบัญชาว่ากล่าวหัวเมืองลาวฝ่ายทางทิศตะวันออกทั้งสิ้นตลอดถึงเขตแดนยวนเจ้าอนุ ได้เป็นผู้ต่างพระเนตรพระกันสิทิขาดในราชการเมืองลาวทางตะวันออกเจ้าอนุจึงมีศักดานุภาพอำนาจเฟื่องฟุง้งเป็นที่ยำเยงเกรงกลัวของหัวเมืองลาวต่างๆที่ใกล้และไกลในทิศตะวันออกเพราะพระบรมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ปกเกล้าปกกระหม่อมเจ้าอนุจึงมีสุภาษณ์สอนลงมากราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเมืองเวียงจันทร์กับหัวเมืองขึ้น ราษฎรพลเมืองต้องอาศัยไปมาข า, ขายที่เมืองยวนจึงได้เกลือและของใช้ของรับประทานมาเป็นกําลังพลแก่เมืองเราเพราะว่ายวนอยู่ใกล้กับเราจะไปมา ข, าขายง่ายกว่าทางกรุงเทพเพราะฉะนั้นเจ้าอนุจะขอรับราชทานแต่งขุนนางลาวให้เป็นทูตขึ้นไปจิ้มก้องส่งเครื่องบรรณาการที่กรุงเว3ปีครั้งหนึ่งเพื่อจะให้พลเมืองลาว ไปมาค้าขายกับยวนได้สะดวกฝ่ายหล้นเกล้าหล้นกระมม่ก็ทรงพระราชดําริพร้อมด้วยเสยนาบดีเห็นว่าเป็นการค้าขายเจริญแก่รารัศดรพลเมืองเหล่านั้นจริงอยู่จึงพระราชทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตยอมให้เจ้าอนุแต่งทูตเหล่าไปจิ้มก้องยวนสามปีครั้งหนึ่งตามความคิดเจ้าอนุเถิดเหตุดังนี้ยวนจึงถือว่าเวียงจันท์เป็นเขตแดนของยวนด้วย ยวนจึงได้มีหนังสือพูดจามิ่นประมาทไทยเพราะเจ้าอนุก่อเหตุทำให้เกียรติยศไทยเสียไปภายหลังเจ้าอนุมีจิตคิดกับเริ่เติบใหญ่ตั้งใจเป็นขมดต่อกรุงเทพโดยความทรยศของมันดังนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องมาทำศึกสงครามเขี่ยวเข็นแรมเดือนแรมปีกับลาวนี้จนอ้ยลาวพ่ายแพ้ราบคาไปสิน้นฝ่ายไทยก็มีชัยชนะดังนี้ ควนที่นายทัพนายกองจะช่วยกันคิดอ่านการงานให้รอบครอบที่จะรักษาขอบขันทศีมาอาณาจักฝ่ายสยามให้มั่นคงถาวรทั่วบุตรหลานแต่การข้างหน้าต่อไปนั้นเราก็คิดจะไม่ให้มีผู้ครอบครองเมืองเวียงจันทร์อีกต่อไปคิดจะทำลายบ้านเมืองเสียให้หมดให้เป็นดังป่าไม่ให้กลับเป็นราชธานีใหญ่สืบต่อไปได้แต่จะต้องนาความเห็นที่เราคิดนี้ ลงไปมีชี้แจงกราบบังคมชูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่ารองสุริพระบาทเสียก่อนเราจึงจะทําการนี้ได้โดยถนัดดีด้วยแผ่นดินเป็นของท่านท่านเป็นพระมหากษัตริย์เราเป็นแต่ผู้ช่วยราชการไม่อธารจะทําการใหญ่โตให้เกินแก่อํานาจผู้ใหญ่ได้ฝ่ายพระราชสุภาวดีเจ้าพระยาอาภัยภูธรเจ้าพระยาพระพิษณุโลกและเจ้าพระยานครราชสีมา และเจ้าพระยามหาโยธาและเจ้าพระยาเพชชบุญคุณนามผู้ใหญ่เฝ้าอยู่ที่นั้นพร้อมอยู่ด้วยกันพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นชอบด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพร้อมกันตามพระกระแสรับสั่งมานั้นทุกอย่างทุกประการแล้วกรมพระราชวังบวรมีพระราชลำรหับสั่งให้พระยาเพชรบุญ ไปเข้ากองทัพพระยาราชสุภาวดีให้อยู่ช่วยจัดการบ้านเมืองลาวส่งสเสบียงอาหารให้พระยาราชสุภาวดีด้วยเพราะเมืองเพชรบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาหารปโปรดให้พระยาเพชรพิชัยกับพระยาสมบัติที่บานยกไปจัดการบ้านเมืองหล่มเลยให้กลับไปเมืองหล่มเลยในฤดูฝนนี้พระยาเพชรพิชัยกราบถวายบางคมลายกไปเมืองหล่มสักพระยาสมบัติที่บานยกไปเมืองเลย โปรดให้พระยาเกษตรรักษายกผลผานไปถ่ายเสเบียงอาหารไปส่งพระยาราชาสุภาวดีให้ใช้ราชการตลอดปีพระยาเกษตรรักษาได้ถ่ายเสเบียงอาหารที่ค่ายหลวงลําเลียงลงเรือรบลาวเก่าๆบรรทุกลงไปส่งที่ค่ายพระยาราชาสุภาวดีครั้งนั้นพระธัญญาพิบาลหลวงโภชนารักษ์คุมเรือบรรทุกข้าวเปลือกนําไปส่งที่เมืองนครพนมเรือกระทบตอไม้ใหญ่ล่มแตกเสียสี่ลำ เป็นข้าวหลายร้อยกุเรียนทรงทราบแล้วจึงโปรดให้เจมื่นอินทรเสนาปรับกรมพระตำรวจนำเรือเร็วรีบลงไปลงพระราชอจชญาเขี่ยนหลังพระธัญญาพิบาลกับหลวงพชนารักขนละห้าสิบทีให้คงทำราชการถ่ายลำเลียงต่อไปโปรดให้พระยาเพชรบูร์ขนปืนใหญ่นกศัพท์คาบศิลาหนึ่งพันห้าร้อยกระบอกกับกระสุนดินดา ส่งไปพระราชทานเพิ่มเติมให้อีกในกองทัพพระยาราชสุภวดีพระยาเพชรบูรณ์กราบสูนว่าช้างที่จะบรรทุกปืนลงไปส่งนั้นยังไม่มาถึงพรานพลาวรับสั่งว่าบรรทุกเรือก็ได้พระยาเพชรบูรณ์กราบสูนว่าทางเรือหลักต่อมากในแม่น้ํำขงเกรงเรือจะล่มลงจะเสียของหลวง ด้วยเป็นเครื่องอาวุธหาใช้ ย, ยากไม่เหมือนเข้าเปลือกพอหาเพิ่มเติมในราชการได้รับสั่งว่าพระยาเพชรบูรณ์ขัดรับสั่งจะให้ลงพระราชอาชญา ก, ก็ได้แต่เห็นว่าเป็นคนเก่าผู้เท่าจึงให้ภาคทันไว้ครั้งหนึ่งแล้วโปรดให้หลวงชาติเสนีคุมปืนคาบศิลาบรรทุกเรือลงไปส่งให้พระยาราชสุภาวดี ครั้งนั้นเรือใหญ่พระธัญญาพิบาล น, นำไปบรรทุกเข้าเปลือกเสียหมดมีแต่เรือเล็กอยู่หลายลําแต่รั่วมากเลือกได้เรือเล็กสองลาบรรทุกปืนใหญ่ไปได้ลําละร้อยกระบอกลงไปตามลําแม่น้ำขงก็ถูกตอล่มลงลาหนึ่งลาหนึ่งลงไปถึงค่ายเมืองละครพนมความนี้ทรงทราบว่า เรือล่มสมกับคำพระยาเพชรบูรณ์กราบทูลทุกประการจึงหายกลิ้วพระยาพิชรบูรณและพลอยไม่เกลิ้วหลวงชาติเสนีที่นําเรือบรรทุกปืนไปส่งล่มเสียลำหนึ่งเสียปืนร้อยกระบอกและดินดำด้วยหลายสิบถังจมน้ำเสียดำได้แต่ปืนครั้งนี้โปรดกล่าวให้พระยาประกิตนุรักษ์ไปตามช้างที่ค่ายเขาสารข้ามเขาสารมายังพรานพร้าว ให้พระยาเพชรบูรณ์บรรทุกปืนพันสามร้อยกระบอกกับดินดำและบรรทุกปืนไปส่งที่ค่ายพระยาราชัปสุภาวดีปืนแลกกระสุนดินดำก็ถึงค่ายพระยาราชาสุภาวดีโดยสะดวกไม่เสียหายเพราะความคิดพระยาเพชรบูรณ์ที่ชำนิชำนาญทางแม่น้ําโขงและทางป่าด้วยครั้งนั้นจเจ้าพระยาอภายัยภูธรที่สมหานายกแม่ทัพไปตีเมืองหลมศักดิ์ได้แล้วยกมาตั้งค่ายอยู่ที่พรานพล้านั้น ป่วยหลายวันก็ถึงอส ย, ยกรรมกรมพระราชวังบวรจึงมีรับสั่งให้บุตรหลานญาติที่ตามขึ้นไปให้นำศพลงมากรุงเทพพระราชทานช้างและโคต่างให้เป็นพาหนะพอสมควรกับพวกพ้องบ่าค่าที่จะนำศพกลับลงไปกรุงเทพกองทัพไทยยกขึ้นไปเมืองเวียงจันท์ครั้งนั้นไพรผลตายด้วยศาสตราวุธิ่าสึกนั้นน้อยตายด้วยไข้โรคป่วงและตายด้วยไข้ป่าไข้พิษ ไทยตายด้วยความอดอยากสามอย่างนั้นมากกว่าการรบ ก, กันตายด้วยเครื่องศสตรูวุธอันหนึ่งทัพพระยาราชนิกูลและพระยารามคําแหงพระยาราชวังเมืองพระยาจันทบบุรีซึ่งยกขึ้นไปทางเมืองขเขมรป่าดงทางตะวันออกนั้นไม่ได้ต่อสู้รบด้วยฆ่าสึกราวเลยเพราะไม่ได้มีใบบอกข่าวราชการมายังแม่ทัพหลวงให้ทราบบ้างฝ่ายกรมพระราชวังบวรมีพระราชบรทูลดำรับสั่ง พระยาสนิภูธรให้มีบัตรหมายบอกพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทัพทั้งหลายให้ตรเตรียมผลฐานไว้ให้สับอีกแปดวันจะเสร็จพระราชดำเนินยกกองทัพหลวงกลับลงไปยังกรุงเทพตามท้องตราซึ่งโปรดเจ้าให้พระมหามนตรีเชิญขึ้นมาหากองทัพกลับนั้นครั้นณวันพฤหัสบดีเดือนแปดขึ้นเก้าค่าเวลาปัจจุสมัย จวนจากใกล้ๆอรุณรุ่งสว่างได้มหาสุภาพมงคล น, นักขัดตะเลิกแล้วฝ่ายกรมพระราชวังบวรทรงเครื่องสิริราชปิรันธนาอลังการสัพพาพรบรวรวิภูสิทธิ์วิจิตด้วยเครื่องอนันตราชรภโภคสำหรับพระกัตยราชรณยุทธ์พร้อมเสร็จเสด็จขึ้นทรงช้างพระที่นั่งพังเทพศิลาสูงหกศอกคืบหกนิว้วผูเครื่องมั่นมีพระที่นั่งกระโจมทองสี่หน้า หลังคาหักทองขวางยอดเกี้ยวมีพระคชทานและพังมณีนพรัตน์สูงห้าศอกคืบสี่นิ้วเป็นพระคชทานพระที่นั่งรองผูเครื่องมั่นมีพระที่นั่งวัวช่อฟ้าหลังคาสีพระที่นั่งทรงนั้นหลวงอินทรคชรักษเป็นหมอขุนคชศักดิ์พีบานเป็นขวานเป็นข้าหลวงเดิมของสองนายพร้อมด้วยเจตุรงกรเกษตรนังคชบาดราชบริพารถวยหานแห่น้ำตามเสด็จพร้อมพรั่ง ทั้งช้างดั้งช้างกันอ น, นันต์ตะคชัพยุหะยาตราสับด้วยพระหุนพลพยุหะโยธาถวยหารราชบบริวารตามกระบวนบรวรมหาพิจัยสงครามพร้อมเสร็จสเสด็จพระราชดำเนินทับหลวงล่วงมักทุเรศที่คมเขตมาลามหาสตลมักประทับรอนแรมมาจากค่ายพรานเพลาวยี่สิบสองเวรบรรลุถึงเมืองนครราชสีมาในเวลาบา่ายสองโงณวันพุธเดือนแปด แรมคำ่ำจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับแรมอยู่บนพระราชัยในค่ายเก่าคืนหนึ่งรุ่งขึ้นณวันพฤหัส บ, บดีเดือน8แรม15ห้าค่ำโปรดเกล้าพระราชทานอาหารสิ่งของเงินตราเสื้อผ้าแก่พร่บ้านพลเมืองนครราชสีมาที่อดอยากเป็นอันมากแล้วโปรดกล้าวให้นายทัพนายกองทั้งหลายคุมพนฐานแบ่งหน้าที่กันไปซ่อมแซมกอบกำแพงเมืองนครราชสีมา ที่ประคักพังเจ้าอนุสั่งให้ทำลายหรือเสียด้านหนึ่งนั้นโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้เหมือนดังเก่าแต่ครูเก่ารอบนอกกำแพงเมืองนครราชสีมานั้นตื้นดอนมากแล้วจึงโปรดให้กองทัพแบ่งหน้าที่กันขุดมูลดินเก่าขึ้นให้ลึกกว้างกว่าเก่าครอบกำแพงแล้วจึงดำรัสสั่งพระยาอารามมนเทียนให้อยู่ที่เมืองนครราชสีมาเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอารามพระอุโบสถวิหาร การบุญเรียนเสนาสนะที่ปรักหักพังทั้งสองพระอารามในรอบกำแพงเมื อ, นองนครราชสีมาที่ชำรุดมาช้านานให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้งามบริบูรณ์ไว้ในพระศาสนาจะได้เป็นพระเกยียรติยศแผ่นดินสยามต่อไปภายหน้าพระยาอารามมนเทียนเลือกนายช่างไว้สามสิบคนกับไพรพลในกองทัพกรุงขอไว้ห้าสิบคนรว่าเป็นแปดสิบคน แล้วเกณฑ์คนที่เมืองนครราชสีมาอีกสองร้อยคนให้ทําอิดเผาปูนและตัดไม้ทําการงานในพระอารามทั้งสองตามรับสั่งนั้นอานาสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่เจ็ดจดหมายบอกจากแม่ทัพเมืองยวนกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป